เรามาทำบุญทำไมรู้ทำไมถึงต้องทำบุญทำแล้วสบายใจทำแล้วสบายใจบุญทําให้เราสบายใจใจเราเป็นสวรรค์กาสบายใจนี้เรียกว่าสวรรค์ความสุขใจถ้าทําบาปก็ไม่สบายใจก็เรียกว่าทารกทําไม่สบายใจก็เรียกว่านรก คามสบายใจก็เรียกว่าสวรรค์สวรรค์นใน อ, อกนรกในใจสวรรค์นรกไม่ได้เป็นสถานที่เหมือนกรุงเทพเชียงใหม่แต่นีนเป็นใจของเราที่ร้อนหรือเย็นที่สบายหรือไม่สบายนี่คือเรื่องของบุญเรื่องของบาปเป็นเรื่องของการทําใจให้เราให้เย็นหรือให้ร้อน เดินเหมือนกับเป็นเครื่องป่าอากาศทำให้ใจเราเย็นบาปนี้เป็นเหมือนเหมือนเครื่องต้มน้ำร้อนทำให้ใจเราร้อนถ้าเราอยากจะไ ม, ไม่ไม่อยากให้ใจร้อน ก, อก็อย่าทาบาปอย่าโลภอย่าโสดอย่าหลงการทโลภการทำโสดการหลงจะทำให้ใจร้อนแล้วก็จะทำให้ใจทำบา ถ้าเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจเราก็เย็นยงั้นตอนนี้เราไม่โลภงั้ที่อยากจะได้เราไม่อยากได้เราอยากจะให้การอยากให้นี่แสดงถึงความไม่โลภของเราถ้าอยากได้ก็คงไม่ได้มาว่ากันอยากได้ตอนนี้ก็ต้องไปขายของไปทำงานถ้าขายของไม่เป็นก็ไปขโมยข้าวของเงินทอง ความโลภจะพาให้คนไปทำให้ใจร้อนอการทำบุญเป็นการทำให้คนใจเย็นเพราะการทำบุญนี้เป็นการเสียสละไม่อยากได้ของใครนีแต่อยากจะให้งั้นเรามาหัดทาบุญกันเรื่อยๆอย่าโลภเพราะว่า ตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีสมบัติเท่าของเงินทงองหนึงจานหาพอกินพอใช้ก็พอแล้วหาแบบไม่โลภคือหาตามความจำเป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่โลภถ้าหามากกว่าที่จำเป็นนี่เรียกว่าโลภแล้วก็จะทาให้เราใจร้อนแต่เราหาตามมีตามเกิดมันก็ไม่ไม่ร้อน ได้ได้ก็ดีไม่ได้อะไม่เป็นไรอาอดข้าวมือ้อหนึงไม่ตายหรอกอดมือ้อกินมือ้อใจไม่โลภแล้วใจมีความสุขดีกว่าได้กินทุกมือ้อแต่ใจโลภมีแต่ความร้อนอกินเท่าไหร่ก็ไม่พอหิวอยู่เรื่อ ย, อยาทาโลภทาให้ใจเราหิวทำให้ใจเราอยาก ทำใจไม่อิ่มได้อะไรมาถ้าไหล่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้คืก อ, กอก็อยากได้สอบอยากได้สอกก็อยากได้วามันจะทำให้เราอยากอยู่เรื่อยๆามโลกเออยากทำตามความโลภให้ทำตามความจำเป็นเอ็นถึงไม่มีข้าวกินก็ไปหาข้าวมากินแต่ไม่ต้องหามาเก็บไว้กินร้อยปี อย่างนะหามาพอมีพอกินก็พอเราจะได้ไม่เหนื่อยหามามากเกินไปบางทีก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้ตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปคนที่เป็นคนรวยมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนี่ตัวเองไม่ได้ใช้หรอตายไปก็เป็นของคนอื่นไปแต่ตัวเองเหนื่อยกับการหา ใจร้อนใจวุ่นวายก็ต้องคอยหาเงินหาทองคอยรักษาเงินรักษาทองแลอ้อย่าโลภอย่า โ, โกรธโลภโกรธโกรธก็ทำให้ใจ้อนร้อนความโกรธก็เกิดจากความโลภเวลาโลภอยากได้อะไรแล้วไม่ได้นางใจอยากก็โกรธใช่ไหมอยากได้ แล้วเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาถ้าเราไม่อยากได้อะไรจากเขาเราก็จะไม่โกรธเขาโกรธแล้วใจมันร้อนไหมมันอยู่นอนไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับนะความร้อนของใจเกิดจากความโกรธความโลภทําให้ใจเราอยู่ไม่เป็นสุขถ้าเราไม่โลภเนี่ยเราสบาย เวลเรา น, นอนนี่ถ้าเรายังโลภยังโกรธอยู่เรา น, นอนไม่หลับลที่เรา น, นอนหลับเพราะว่าตอนนั้นเราหยุดความโลภหยุดความอยากไว้ชั่วคราวก็เลยทำให้เรานอนหลับกันได้ยังขอให้รู้ว่าความสุขความทุกข์ของใจเรานี่อยู่ที่การทำบุญหรือการทำบาปอยู่ที่ความโลภหรือความไม่โลภ อยูที่ความโกรธหรือวความไม่เกิรธพยายามอย่าโลภหาได้ต้องการอะไร ห, หาได้ถ้ามันจําเป็นห า, หาพอพออยู่ได้พอกินได้ก็พ อ, อโลภน้อยๆถ้าจะโลภก็โลภ แ, แบบจําเป็นไม่เป็นไรแต่ถ้าจะโลภแบบไม่มีขอบเขตมันได้เท่าไหร่ก็ไม่พ อ, อใช่ไหมได้ล้านก็อยากจะได้10บล้าน ได้สิบล้านก็อยากจะได้ร้อยล้านอยากได้ไปเรื่อยๆได้เท่าไหร่ก็ไม่พอแถมที่จะมีความสุขกับเงินทองร้อยล้านพันล้านกับต้องมาทุกข์เพราะว่ามันไม่พอแล้วก็ต้องมารักษาไอร้อยล้านพันล้านที่มีอยู่ก็ให้มันหายไปไม่ได้แล้วก็มีร้อยล้านพันล้านก็ไม่พอต้องหาเพิ่มใหม่ ใจมันก id ็เลยไม่มีความสุขวันที่ไม่มีความโลภเนี่ยสบายมีร้อยล้านพันล้านก็เอามาแบ่งกันบ้างสิเอามาทำบุญให้คนอื่นเขาบ้างถ้าอย่างเงี้ยก็จะมีความสุขจากการมีเงินร้อยล้านพันล้านหรือไม่ต้องร้อยล้านพันล้านอะร้อยบาทพันบาทเอามาแบ่งกันเอาไปทำบุญนี้ก็ทาให้เรามีความสุขกัน แทนพระเจ้าสอนให้พวกเราพยายามทาบุญกันทุกวันเป็นใส่บาตรถ้ามีพระสมัยก่อนหมู่บ้านจะมีพระมาบิณฑบาตชาวบ้านก็มีโอกาสได้ทาบุญทุกวันใส่บาตรแล้วก็มีความสุขถ้าเราไม่มีพระเราอยากจะทำบุญทุกวันเราก็เอาเงินที่จะใส่บาตรซื้อของใส่บาตรใส่กระปุกไว้ก่อนก็่า้ ใส่ทุกวันแล้วพอมีเวลามาวาดัดจะเอาเงินที่ใส่กระปุกนั้นมาทำบุญที่วัดได้จะได้มีมีเงินทำบุญกันบางทีอยากจะมาวัดแต่เงินไม่มีเพราะไม่ได้เก็บไว้สำหรับทำบุญเอาไปใช้อย่างอื่นห่ดใจก็เลยไม่ค่อยมีความสุขก็แล้ นี่แนหะคือสวรรค์ตายไปถ้าไม่มีบุญใจก็ไม่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้เป็นสวรรค์ใจก็จะเป็นนรกเป็นอบายเป็นเปรตถ้ามีแต่ความโลภความอยากก็จะไปเป็นเปรตถ้าถ้าไม่โลภไม่อยากมีทําบุญอยู่เรื่อ ย, อยแล้วก็ไม่ได้ทําบาปก็จะใจก็จะสวรรค์ ใจก็จะเย็ยนจะมีความสุขเป็นสวรรค์ไปอานรกสวรรค์เราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาอบายอบายเช่นการไปเกิดเป็นเปรตเป็นเดรัจฉานไปนรกนี้เกิดจากการทำบาปทำแล้วใจให้ใจร้อนใจหิวใจหิวโหยก็เป็นเปรต ถ้าใจร้อนก็เป็นนรกถ้าใจโหดร้ายทารุณก็เป็นเดรัจฉานเราฉะนั้นเราต้องรักษาใจของเราให้เป็นเทพเป็นพรมเป็นพระอริยเจ้าด้วยการไม่ทำบาป้วยการทำบุญด้วยการชำระกำจัดความโลภความโกรธความหยง ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปถ้าไม่มีโลกโกรธหลงอยู่ในใจใจก็จะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าที่เรากราบไหว้นี่ท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนพวกเรานี่ยแหละเพียงแต่ว่าใจของท่านนี่ไม่มีความโลกความโกรธความหลงเพราะท่านเห็นว่ามันมีโลกโกรธหลงแนละ้วทําให้ใจท่านไม่สบาย พอหยุดโลภหยุดโกรหยุดหลงได้แล้วใจมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรความสุขเราไม่ได้อยู่ความสุขใจไม่ได้อยู่ที่ว่ามีมากมีน้อยก่อนมีมากกับไม่สุขก็มีเยอะแยะไปเพราะไม่พอพรพราโลกอยากจะได้มากขึ้นไปหรือความหวงไม่อยากจะให้เงินหมดหวงเงินก็ทําให้ไม่สบายใจได้ โลภอยากได้เงินก็ทำให้ไม่สบายใจได้ง <Yeah. S 1> ั้นเราต้องอย่าหวงถ้าเรามีอะไรแบ่งคนอื่นได้ก็แบ่งกันไป <Yeah. S 1> คิดถึงหัว อ, อกเขาหัว อ, อกเรา <Yeah. S 1> เวลาเราเดือดร้อนยากจนขาดแคลนถ้ามีคนเขามาแบ่งให้เราบ้างเราก็จะรู้สึกอย่างไร <Yeah. S 1> มีคนบางคนเขาคิดอย่างนี้ <Yeah. S 1> เขาคิดสงสาร <Yeah. S 1> เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เขามีเงินเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บไว้ทําอะไรเก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเขาก็เลยเอาไปทําบุญไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนทําแล้วเขาก็มีความสุขดีกว่าเก็บเงินมาเฉยๆแล้วใจไม่สุขเอาเงินไปทําบุญแล้วมีความสุขเงินนี้มีไว้สําหรับทําบุญครับ เงินนี้มีไว้สําหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเหลือก็เอาไปทําบุญตายไปเอาไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้เอาเงินทองมาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเปลี่ยนเป็นความสุัใจแล้วกลับมาเกิดชาติหน้าก็มีเงินทองรอเราอยู่เพราะเงินทําบุญก็เหมือนเงินฝากไว้ในธนาคารตายไปแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ จะรวยกว่าเก่าฐานะดีกว่าเก่าถ้าทำบาปตายไปแล้วก็ต้องกลับมาใช้โทษใช้หนี้ใช้เวรใช้กรรมบุญกรรมมีจริงบุญบาปมีจริงนรกสวรรค์มีจริงบุญทำให้ใจเป็นสวรรค์บาปทำให้ใจเป็นนรก เรายังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ถ้าเราไม่มีความโลภความโกรธความหลงเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมารับผลบุญผลบาปที่ทำไว้ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตาย งั่นขอให้พวกเราเชื่อบุญเชื่อบาทนะเพราะเรายังมองไม่เห็นผลของบุญของบาต ท, ที่เป็นนับที่เป็นสวรรค์เป็นนรกเพราะเราไม่เห็นตัวเราตัวเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้เราคนใช้ของเราเราเป็นคนสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆคนที่สั่งนี้ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกาย เวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายคนสั่งนี้ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายคนสั่งมีแต่สุขหรือทุกข์ไปกับคาสั่งสั่งให้ร่างกายทำบุญก็ได้ความสุขสั่งให้ร่างกายทำบาปก็ได้ความทุกข์และเวลาร่างกายตายไปคนที่สั่งก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแทนร่างกายอันเก่า เวลาตายนี่เขาเรียกว่าเป็นเวลาเปลี่ยนร่างกายเข้าใจร่างกายเก่ามันมันแก่แล้วใช้งานไม่ได้แล้วเหมือนรถยนต์นี้พอรถยนต์พังไปแล้วคนขับรถก็ไปซื้อรถคันใหม่ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับร่างกายเหมือนคนขับรถยนต์เวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ถ้าเรายังมีความอยากใช้ร่างกายอยู่เราก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ในชะ่ไหมเหมือเนี้ยเด็กคนนี้เขาเพิ่งทิ้งร่างกายเก่าเข้ามาร่างกายเก่าเขาแก่เจ็บตายเนะียเขาก็เลยมารอดูว่าใครกำลังตั้งท้องอยู่พอพอมีการตั้งท้องเขาก็เลยมาขอขอจับจงอง จองร่างกายนี้ไว้ mm. คนที่มาจองนี้เขาไม่ได้เป็นลูกเราเหรอกเราไม่รู้จักเขา mm. เขามาขอลูกเราไปเป็นคนใช้เขา mm. อย่างขาก็ลูกเราเนี่ยไปใช้ทำอะไรต่างๆ mm. เอาร่างกายเนี่ยไปใช้ในต่างๆทำอะไรต่างๆ mm. อันนี้เราก็ช่วยเลีงเลีง เลี้คนใช้ของเขาไปเพราะเขาเองเลี้ยงไม่ได้อาศาัยพ่อแม่นี้เลี้ยงเด็กให้โตพอเด็กโตเป็นตัวของตัวเองได้นะทําอะไรเองได้แนละ้วเขาก็ไปแล้วเขาก็เอาน่างกายนี้ไปทําอะไรตามที่เขาอยากทำนันน่นความจริงคนที่มาได้ลูกเรานี้เราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครนะ อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้อาจจะเป็นศัตรูกันมาก็ได้บางทีพ่อแม่กับลูกอาจจะเป็นศัตรูกันก็ได้เป็นมิตรก็ได้หรือหรือเป็นกลางกลางไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูกันก็ได้เราต้องแยกร่างกายออกจากใจผู้เป็นผู้สัง่งใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกาย เราเป็นใจเราไม่ได้เป็นร่างกายให้ใช้ร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับใจเอามาทำความดีกันทำบุญกันทำอะไรที่ทำให้เกิดความสุขกันอย่าเอามาเข็นฆ่าฟันกันอย่าเอามาทำร้ายกันทำร้ายกันแล้วก็ทำา ใ, ให้ใจของเรามีแต่ความทุกข์กัน มาดูแลกันมาช่วยเหลือกันแล้วจะมีความสุขกันการทำบุญไม่จำเป็นจะต้องทำกับพระกับวัดทำกับคนที่บ้านก็ได้ทำกับสามีทำกับภรรยาทำกับลูกทำกับพ่อกับแม่คือดูแลกันช่วยเหลือกันให้ความสุขแก่กันเนี่กาเป็นการทำบุญทั้งนั้น พ่าทาแล้วจะทําให้ใจของเรามีความสุขกันอย่าอยู่ด้วยกันแล้วโกรธกันเกลดกั น, กกนทะเลาะกันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอยู่อย่างนั้นก็ทําให้มีความทุกข์แล้วถ้า ห, า, หากข้ามใจไม่ได้เดี๋ยวก็ถึงกับฆ่าฟันกันก็ได้ดังต้องหัดทําบุญกันหัดเสียสละกัน อย่าเอาแต่ได้อย่าเอาแต่ความเห็นแก่ตัวต้องรู้จักหักห้ามจิตใจถ้าปล่อยให้ความโลภมันดึงไปเดี๋ยวมันทำให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่เสียหายได้กินแล้วก็นอนสบายเดี๋ยวพอหิวก็ลองกินใหม่ ถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปตายไปเราก็จะไปไปท่องเที่ยวในสวรรค์เสร็จแล้วเราก็กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทำบุญใหม่เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่จะเวียนว่ายตายเกิดในส่วนที่ดีถ้าเราทำบาป ตายไปเราก็ต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปตกนรก้วนะพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็มาทาบาปใหมนะ่เดี๋ยวตายไปก็กลับไปใหม่ทาไมคนถึงบางคนทำไมถึงทําบุญบางคนทาไมถึงทาบาปเพราะเขาเคยทําอะไรมาเขาก็จะติดเป็นนิสัยมาคนทําบุญก็จะชอบทําบุญ คนที่เคยทำบาป ก, ก็จะชอบทำบาปแต่คนที่เคยทำบาป ก, ก็เปลี่ยนได้ถ้าเห็นว่าการทำบาปไม่ดีก็ฝืนหักห้ามจิตใจเวลาคิดจะทำบาป ก, ก็ไม่ไปทำแล้วก็ไปทำบุญแทนต่อไปก็จะเปลี่ยนนิสัยได้จากการชอบทำบาสมาเป็นชอบทำบุญคนที่เคยทำบุญก็เปลี่ยนได้ ถ้าไปเจอคนที่ชวนให้ไปทำบาปแล้วไปทำกับเขาทำแล้วต่อไปมันก็เป็นวิสัยใหม่ขึ้นมาเคยชอบทำบุญนะพอไปพบเพื่อนคบคนที่เขาชอบทำบาปดึงไปให้ทำบาปทำแล้วก็ทำไปบ่อยๆเขาก็จะติดนิสัยนั่นเราต้องระวังเวลาเราครบคนอย่าไปพบคนที่ชวนเราไปทำบาป พยายามคบคนที่ชวนเราไปทําบุญดีกว่าเพราะบุญนี้มันให้ความสุขกับเราบาปมันให้ความทุกข์กับเรานั่นเองนี่คือการครบคนต้องรู้จักคบคนคบคนดีคบคนทําบุญอย่าไปคบคนไม่ดีคบคนทําบาปคบ ค, บคนเดิมโชราเล่นการพ น, นันเที่ยวกลางคืน มีคนไม่ดีเป็นเพื่อนมีความเกลียดแค้นนี่คือลักษณะของคนที่ไม่ดีไม่ควรที่จะไปสนิทสนมกับเขาเพราะเดี๋ยวเขาจะชวนเราไปในทางของเขาเขากิน ด, ดื่มสุราเดี๋ยวเขาก็ชวนเราดื่มเขาเล่นการพนันเดี๋ยวเขาก็ชวนเราไปเล่นการพนันเขาเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว กานที่จชวนเราไปทํางานไปหาเงินหาทองกับชวนเราไปใช้เงินใช้ทองกันการเล่นการพนันการดื่มสุราการเที่ยวนี้ไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายเดี๋ยวเงินทองก็ไม่พอใช้แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปลักขโมยไปทําบาปเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเที่ยวต่อมาเล่นต่อมาดื่มต่ อ, อ, อนี่คือ ทางของคนทำบาปเขามักจะไม่ค่อยชอบทำมาหากินกันเขาชอบเที่ยวชอบกินชอบดื่มชอบเล่นกันงั้นคนแบบนี้รู้จักกันได้แต่อย่าให้เขาชวนเราไปถ้าเ็าชวนเราต้องปฏิเสธถ้าเ้าชวนเราไปกินเล่าราไม่พิจิตรินชวนไปเล่นการพ น, นันก็ไม่ไป วนไปเที่ยวก็ไม่ไปเที่ยวกลางคืนเที่ยวกลางวันตามสถานที่ท่องเที่ยวก็พอไปได้แต่อย่าไปบ่อยไปจนสร้างเสียงานเสียการไปวันหยุดวันที่เราไม่ต้องทำงานไปบ้างชีวิตก็ต้องมีการผ่อนคลายบ้างทำงานมาหนักก็เหนื่อยเครียดก็พักผ่อนบ้างไปเที่ยวบ้าง เที่ยวแบบไม่ดื่มโซดาเที่ยวไม่ไม่ได้เที่ยวแบบกลางคืนเที่ยวกันเราเป็นคนสร้างความสุขสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองด้วยการกระทําของเราเองถ้าเราทําบุญเราก็จะสร้างความสุขทําความดีคอยช่วยเหลือคนอื่นไอ้แม่เนี่ยเวลาเลี่ยงลูกแล้มีความสุขมไออ เลี้ยงลูกให้เห็นลูกมีความสุขเราก็มีความสุขเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเพื่อนแต่ก็อย่าเลี้ยงเกินเหตุเกินผลคือถ้าเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้ช่วยตัวเขาเองได้ก็อย่าไปเลี้ยงเขาเดี๋ยวก็จะเสียนิสัยต้องให้เราเลี้ยงไปตลอดเลี้ยงคนที่เคยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มามาเลี้ยงพระเพราพระหาข้าวกินเองไม่ได้ทำกับข้าวกินเองไม่ได้ก็เลยต้องให้ญาติโยมเลี้ยงพระกันเลี้ยงลูกก็เหมือนกันเลี้ยงลูกก็เหมือนเลี้ยงพระเนี่ยลูกก็หากินเองไม่ได้เราก็เลยต้องเลี้ยงเขาหาก็เป็นบ hey ุญเหมือนกันเลี้ยงลูกก็เป็นบุญเลี้ยงพระก็เป็นบุญได้บุญก็เราเสียสละ ความสุขของเราเสียสละเงินทองของเราให้เขาไปแล้วแทนที่เราจะเสียใจเรากลับมีความสุขใจเสียเงินทองไปแต่ไม่ทุกข์ใจไม่เหมือนกับเวลาขโมยขึ้นบ้านขโมยเงินทองไปกับเสียใจทำไมเสียใจเสียเงินเหมือนกันทำไมเสียแบบนี้ไม่เสียใจเสียแบบนั้นเสียใจเพราะว่าถ้าเรายินดีเสียเราก็ไม่เสียใจ ถ้าเราไม่ยินดีเสียเราก็จะเสียใจเพราะน้ถ้าเราอยากจะไม่เสียใจเวลาที่เราเสียเงินเสียทองไปโดยถูกเขารักขโมยไปก็ให้ยินดีว่ามันไปแล้วมันเขาเรียอ้อยเข้าปากช้างแล้วมันไม่กลับมาแล้วก็เรื่องอะไรเราต้องมาเสียใจไปกับมันควรจะดีใจไปกับมันทีดว่าเป็นการทาบุญไปก็แล้วกัน เขาจะได้เอาไปใช้ซื้ออะไรต่างๆที่เขาอยากจะซื้อกันเราก็เป็นคนทาบุญอย่างนี้เราก็จะมีความสุขใจหัดคิดอย่างนี้เพราะต่อไปเวลาเราตายเราก็ต้องเสียทุกอย่างถ้าเรายินดีจะเสียเราก็จะไม่ทุกข์ใจเวลาที่เราจากโลกนี้ไปถ้าเราไม่ยินดียังอยากจะเก็บเอาไว้เป็นของเราเราก็จะเสียใจ การมาทำบุญนี่ก็เป็นการฝึกให้เรายินดีที่จะเสียของที่เรารักเพราะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากของที่เรารักไปไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นข้าวของต้องจากกันถ้าเรายินดีให้เขาจากเราเรายินดีที่จะจากเขาเราก็จะไม่ทุกข์ใจถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะทุกข์ใจ นั้นหัดปล่อยวางพระพุทธเจ้าสอนให้เราเตือนใจว่าของทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้มันเป็นของเราเพียงชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดบางทีเข้าไปก่อนที่เราไปก็ได้เข้าของเงินทองคนนั้นคนนี้อาจจะจากไปก่อนเราไปก็ได้ ถ้าเรารู้ว่าเขาต้องไปและเราไม่ไปห่วงไปห่วงเวลาเข้าไปเราก็ไม่เสียใจถ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจคอยสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการจากกันไปพอจากกันเราก็จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเห็นต้องพยายามสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันเป็นของชั่วคราว มันมีวันที่จะต้องมีการจากกันไปได้อันนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความสุขเวลาจากกันแทนที่จะทุกข์เราก็กลับมีความสุขไม่ทุกข์กับการจากกันใจเราจะได้ไปสวรรค์ใจจะจได้มีความสุขถ้าทุกข์ใจก็เรามันกับตกนรก การมาทำบุญที่วัดก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนอกจากได้ทําบุญแล้วก็ได้ฟังเทศฟังธรรมได้รู้จักเรื่องของเราจริงๆว่าเราเป็นใครกันแน่ถ้าเราไม่มาวัดนี่เราจะไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายทุกคนคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นอะไรเราก็ตกใจแทนร่างกายร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราก็ตกใจกันกลัวกัน ท, ทั้งที่เราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเราก็จะไม่ทุกขอ์ออกมาันขอให้เราพยายามเตือนใจสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าของต่างๆที่เราไม่อยู่รวมทั้งร่างกายของเราเนีเป็นของชั่วคราว เป็นของเหมือนยืมเข้ามาเดี๋ยวเราต้องคืนเจ้าของไปถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราแล้วเราต้องคืนเขาเวลาคืนไปเราก็ไม่เสียใจแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราเราก็จะไม่อยากคืนเขาแต่พอเขามาทวงคืนเราก็ต้องคืนเขาไปคืนแบบเสียใจพราเราหวงเราไม่อยากจะคืนเขา ความทุกข์ของเราเกิดจากความหวงในสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราเวลาเขาจากเราไปเราก็ร้องโหมร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันเพราะไม่มีใครสอนเราว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืนเข้ามาต้องคืนเขาไปหัดเตือนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ลูกนี่ก็เหมือนกันเขาก็ไม่ใช่เป็นของเรา เดี๋ยวเขาก็ต้องไปทางของเขาถ้าไม่คิดอย่างนี้เวลาเขาไปเราจะเสียใจเราจะทุกข์ใจแต่ถ้าเราคิดไว้ก่อนเวลาเขาไปเราก็จะทําใจได้เราก็บอกนะเป็นของชั่วคราวมาอยู่ด้วยกันชั่วคราวเดี๋ยวถึงเวลาก็ต้องจากกันเป็นธรรมดา เราตาจาวจึงสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายไปเป็นธรรมดาต้องพัดพากจากการเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถ้าเขาจะแก่ก็จะเจ็บเขาจะตายก็ปล่อยเขาไปถ้าเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกข์ นี่เราปล่อยไม่ได้เพราะว่ากิเลสไม่ยอมปล่อยวิธีที่จะทําให้กิเลสปล่อยเราก็ต้องมาหยุดกิเลสกันวิธีหยุดกิเลสก็ต้องหยุดความคิดทําใจให้นิ่งให้สงบพอใจหยุดคิดกิเลสก็หยุดทํางานพอกิเลสหยุดทํางานใจก็ปล่อยได้เวลาเราปล่อยเวลาเราทุกข์กับอะไรนี่แสดงว่าเราไม่ยอมปล่อย เราลองมานั่งสมาธิดูทำใจให้สงบหยุดความคิดทั้งพุโทโธพุโทโธไปพอใจสงบแล้วใจก็จะปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับของต่างๆที่จะต้องไปหรือไปแล้วบางทีของไปแล้วเราก็ยังทุกข์กันอยู่เพราะเรายังไม่ยอมปล่อยทั้งท่านที่เขาก็ไปแล้วยังอยากให้เขากลับมา แต่เขาก็ไม่มีวันที่จะกลับมาแต่เรายังทุกข์กันอยู่เพราะกเลสเรายังไม่ยอมปล่อยยังคิดถึงเขาอยู่ถ้าเราหยุดคิดถึงเขาได้เราก็ปล่อยเขาได้เพาะฉนั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องหยุดความคิดมาหัดนั่งสมาธิกันเวลาใจเราทุกข์เราก็นั่งสมาธิกัน พอใจสงบแล้วความทุกข์ก็จะหายไปนี่คือเรื่องของใจของพวกเราที่ไม่มีวันตายแต่ยังต้องทุกข์อยู่กับเรื่องราวต่างๆเพราะเราไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆนั่นเองไปคิดว่าเป็นของเราไปคิดว่าจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่มีวันจากเรา พอวันถึงเวลาที่เขาไปเราก็เสียอกเสียใจกัน <c oughs> นะงั้นพยายามทำตามที่พุทธเจ้าทรงสอนถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์อยากจะมีความสุข <c oughs> ก็คือให้เราทำบุญกันให้เราละเว้นจากการทำบาปแล้วให้เรามาหยุดกิเลสหยุดความโลภความโกรธความหลง ด้วยการฝึกนั่งสมาธิทําใจให้สงบ ด, ด้วยการสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราของทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็จะต้องคืนเข้าไปร่างกายนี้เดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปถ้าเรารู้แล้วเราปล่อยได้ยินดีที่จะคืนร่างกายไปเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่ทุกข์กัน วิธีที่จะทำให้เราปล่อยได้ก็คือต้องนั่งสมาธิกันต้องฝึกนั่งสมาธิต้องฝึกทําใจให้สงบหยุดความคิดวิธีที่จะหยุดความคิดก็ใช้พุทโธนี้ท่องไปเรื่อยๆท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะลืมมันก็จะไม่คิดถึงร่างกายไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้พอร่างกายเป็นอะไรมันก็จะไม่เดือดร้อนไม่ทกกับร่างกายเพราะเราไม่ไปคิดถึงร่างกาย ถ้าเราทุกข์กับอะไรพยายามหยุดความคิดถึงเรื่องนั้นแล้วเราจะหายทุกข์ใช้พุทธโธพุทธโธหยุดความคิดไปนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดเราก็จะลืมลืมคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เรื่องที่เราทุกข์ก็จะลืมไป อย่างตอนนี้เราไม่ได้ทุกข์กับอะไรเพราะเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องที่เคยทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์มันก็ยังทุกข์ขึ้นมาได้อยู่เช่นเมื่อเช้านี้คนเขาพูดอะไรไม่ดีแล้วเราไปคิดถึงตอนนี้เราก็ยังทุกข์ได้อยู่แต่ถ้าเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เขาพูดเมื่อเช้านี้เราก็ไม่ทุกข์แล้วเราะันหัดมาควบคุมความคิดกันเวลาใจจะไปคิดเรื่องที่ทาให้เราทุกข์ก็หยุดมัน ถ้ามันคิดในเรื่องที่ทำให้เราสุขก็ไม่ต้องหยุดมันเช่นถ้ามันคิดว่าจะไปทําบุญเงี้ยก็ให้มันคิดได้คิดคิดไปนไปวัดไปไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมไปนั่งสมาธิถ้าคิดอย่างนี้ปล่อยมันคิดไปคิดแล้วทำให้ใจสุขสบายถ้าคิดแล้วทำให้ใจทุกข์ก็ต้องหยุดมันเราควบคุมความสุขความทุกข์ได้ อยู่ที่ความคิดของเรานี่เองถ้าคิดดีก็สุขใจถ้าคิดไม่ดีก็ทุกข์ใจก็คิดว่าพอสมควรนะจะให้พรแล้วนะได้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมได้คือเพื่อนขา อยากอยากจะไปซื้อปลาซื้อปลาเออมาเลี้ยงมาเลี้ยงก็เออเขาก็พอจะรู้ว่ามันมันไม่ดีนันเป็นการส่เสริมแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าแต่เวลาที่มันตอนที่มันขายมันมีถุงมันอึดอัดกว่าอีกถ้าเอามาแล้วมาทําให้มันอยู่สบายขึ้นก็ไปปล่อยมันสิไปปล่อยในทะเลในคลองไปจะได้เป็นปลาแบบเอต้องเลี้ยงอย่างเส้นพ่อ ฝากปลาคาร์ปรฟปลาทงองปลาเงินปลาทองอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปลาทองปลาเงินปลาทองหรืออย่างาหรืออย่างพวกหมาแม่ที่เขาเพาะไห้ขายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราซื้อมาเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อประหยัดาบผลว่ามันเหมาะไม่เหมาะยงงถ้าเลี้ยงเอาบุญก็ได้เลี้ยงเอาบุญเหมือนเราไปเอาเด็กกำพร้ามาเลี้ยงเป็นลูกอย่างเงี้ยก็เอาปลาเอามาเลี้ยงก็เลี้ยงแบบเลี้ยงลูกเลี้ยงก็เลี้ยงได้ แต่ถ้าทางที่ดีถ้ามีที่ไปปล่อยให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติได้ก็จะดีกว่าก็จะได้เหมือนมันอยู่ในตู้มันก็ยังเหมือนอยู่ในคุกอยู่อย่างนั้นอาจจะถุงมันเล็กแล้วมันใส่ตู้ใหญ่หน่อยมันก็ยังเป็นมันก็ยังเป็นคุกอยู่นะมันไม่เหมือนกับปล่อยให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติเรื่องแรกเาไปปล่อยไปลำทานที่ไหนในป่าที่ไหนที่มันอยู่ได้ให้มัน กินของมันเองได้คิดถึงโหโหเขาโหเราเลยถ้าเรายังต้องอยู่ในคุกอยู่นะี้คุกมันก็ดีอย่างมันก็ปลอดภัยมีคนเลี้ยงดูเราชอบติดคุกเป็นไหมลนะ่ะคุกนี้คอจริงถ้าอยู่ได้ก็ดีนะเพราะข้าวก็ฟรีน้ำไฟก็ฟรีมีอรอปพดูแลรักษา24ชั่วโมง เลี้ยงปลาในตู้ก็แบบเลี้ยงเลี้ยงคนในคุกอย่างเงี้ยนิจใจของคนใจของสัตว์นี่ก็ไม่มีมันชอบอิสระเพราะมันอยากจะไปไปอยู่ตามอิสระของมันนถ้าถ้าเป็นไปได้ซื้อมาแล้วหาที่ปล่อยให้มันไปอยู่ตามธรรมชาติดีกว่าเราจะได้บุญแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นอภิาละกับมัน ต้องคอยเลี้ยงดูมันแต่ถ้าเจตนาที่ซื้อมัอย่างนี้นะคะก็ไม่ไม่ไม่บาปเแต่ว่ามันอมันอาจจะไม่ได้บุญเท่ากับซื้อมาปล่อยไม่ไม่บาปเลยคือว่าเราไปส่งเสริมให้เขาค้าขายถึชีวิตเหรอคะพี่แจ๊อเรื่องส่งเสริมไม่ได้ส่งเสริมเหรอเขาจะเราไม่เราไม่ซื้อก็ทําอยู่ดีอะ เราไม่ซื้อก็มีคนอื่นซื้อถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็เลือกขายไปเองอันั้นก็ให้ถือว่ามันเป็นเรื่องของโลกที่มันไม่มีวันที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆได้หมดเราก็ควรจะแก้ในในส่วนของเราให้มันดีที่สุดคือเราอย่าไปอย่าเราอย่าไปทําบาปเราอย่าไปเบียดเบียนผูน้ชีวิตของคนอื่น เอาาถ้าเี้ยงเขาในตู้ก็ยังเหมือนกับขังเ้าอยู่ในคุกอยูนะ่ถ้าปล่อยเขาไปในลงในในสระน้ำลำทานให้เขาไปอยู่แบบตามธรรมชาติของเขาเขาก็จะได้มีความสุขให้ความสุขกับใครเราก็จะได้ความสุขต่อไปเราเกิดไปถูกเขาจับขังคุกขังตารางอาจจะไม่คนมาปล่อยเราออกไปก็ไดไ้คิดอย่างนี้นะคิดบุคลยามมองมุมกลับบ้าง ทำอะไรกับใครไว้เดี๋ยวก็จะต้องได้กลับอย่างนั้นกลับมาหาเราไปขังเขาไว้ในคุกเดี๋ยวเราก็จะถูกเขาจับไปขังไว้ในคุกบ้างใช่ไหคว่าถ้าเกิดว่ามาของเราเนี่ยไม่ได้แล้วมทนากับบุญที่เราไปทำแล้วมองว่ามันเป็นการอะคะ้คเราจะคิดแบบนี้ก็คิดว่าเขาตาบอดเนี่ เราไม่รู้ว่าการทำบุญนี้เป็นการให้ความสุขให้ความเจริญกับชีวิตที่เขามองไม่เห็นอันนี้เป็นบาปของเราเ ป, เป็นความอยากของเราเป็นโทษกับเราแล้วเราเราอยากไปอยากช่วยเขา <S 2> <S 2> <S ช่วยไม่ได้ก็เมียกแต่ที่บายเขาฟังนั้นว่าทำบุญแล้วสบายใจมีความสุขใจถ้าเขาไม่ไม่ไม่อนุโมทนาก็ไม่เป็นไรก็เรื่องของเขา เขาก็จะไม่ได้ความสุขจากการทาบุญของเร า, เราบอกเขาไป่าเาจเใช่หรือถ้ารู้ว่าเขาไม่นุมทณาวันหลังก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็แล้ว อ, บ อ, อ่บอกแล้วทําให้เขาไม่สบายใจก็อย่าไปบอกก็ดีกว่าอมันเป็นเรื่องนาน า, นาทัศน์อ่นาน า, นาจิตตังคนเราบางคนเห็นบางคนมองไม่เห็น เมื่อเขามองไม่เห็นเขาก็เลยคิดว่าเป็นการเสี ย, เ, สยงเงินทองโดยใช่เหตุเปล่าประโยชน์หรืองมงายหรือถูกหลอกอะไรทำนองนั้นแต่คนที่เห็นเขาก็เขาก็รู้ว่ามันเป็นประโยชน์เขาก็เขาก็ทำของเขาไปเราก็ทำของเราไปสักวันหนึ่งเขาอาจจะเห็นก็นได้ มาด้วยกันนะแล้วมาด้วยกันนักันมาเลยนัมาเจนที่นี่มาทั้งหมดกื่อนนะครับมีมาเจันคนเอ้วประมาณพนคนครับทุกควันนี้มีโอกาสพิเศษอะไรหรือเปล่าไม่ตั้งใจมาวันหยุดตั้งใจมาให้วันนี้หยุดเรื่องอะไรเลยเราหยุดทำงานของเราหยุดทงาน ทีมีค่ะอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานด้วยกันอ่าเออย่รวมการทำบุญอ่าค่ะเฮ้ยนะครับทุกนะขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าไม่โกหกไม่หลอกใครนะอ่าอ่วมอเป็นเด็กทีนะเด็เก่งๆเนี่คนดีอ่าทางนี้มีใครอยากจะถามอะไรไหม ปีดีจะขอเรียนถามคนอิบายที่ทําอย่ังไงให้เรากำจัดความกลัวในขณะที่เราทุดงค่อมันมีสองวิธีวิธีแรกวิธีง่ายที่สุดก็คือให้เราท่องพุทโธไปแล้อสวดมนต์ไปอย่าให้ใจเราไปคิดถึงสิ่งที่เรากลัวแบบอย่างกั้งกดอยู่ในป่าอ่เสียงนูเสียงนีพอได้ยินเสียงก็พุทโธพุทโธไปเลยอย่าอย่าสงใจไปหาเสียงเดี๋ยว เดี๋ยวพอลืมเสียงนะั้นความกลัวก็หายไปหรือวิธีที่สองก็ให้โปร่งตายไปเลยอย่างมากก็อย่างมากก็แค่ตายว่ายอมตายถ้ายอมตายแล้วมันก็จะหายกลัวแล้วมันจะหายกลัวแบบถาวรมันจะไม่กลัวอะไรนะที่กลัวกันทั้งหมดนี่ก็กลัวตายอย่านั้นแหละก็อยอมตายแต่ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วอพอยอมตายได้ใจเราเย็นจะสบาย คิดถึงความตายบ่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องตายเกิดมาแลต้องตายถ้ามันจะต้องตายตอนนี้มัยอมตายไปซะเลยออถ้ามันยอมตายแล้วมันจะหายกลัวเลยหายอย่างถาวรเลยจะไม่กลัวอะไรอีกต่อไปอะ เราก็ยังต้องมีทุกข์กับการที่เราเป็นหนีเป็นสินต่ะใจเราก็ยังต้องไปมุ่งทั้งโลกอยู่แล้ว ก, ก็ตอนนี้งดทําบุญไปก่อนถ้ามีหนี้สินก็ไปจ่ายหนี้สินก่อนการใช้หนี้สินก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งเพราะเรามันจะได้ให้ทําใจเราจะได้สบายหลังจากที่เราปวดหนี้แล้วมันก็จะสบายใจยังถ้าเรายังไม่มีเงินทําบุญก็แขวนรอไว้ก่อนก็ได้ เอาเงินไปใช้หนี้ก่อนใช้มันหมดก่อนแต่แต่เหมือนก็ว่าหนี้สินเราก็มากมายกับที่เราหาได้มาในทุกวันเนี่ยมันไม่เพีพอกันอย่างเงี้ยเหมือนเราก็ไปทําใช้หนี้เขายังไม่พอมันก็ทำให้คนเขาเป็นเจ้าหนี้เราเขาจะมีทุกอย่างเนี่ยเราเหมือนยิ่งบาปนะเข้าไปเพราะไม่บาปเราก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ว่าเรายืมเงินเขาคนที่ให้ยืมก็ต้องทําใจว่าอาจจะได้คืนอาจจะไม่ได้คืน อาจจะได้เร็วได้ช้ามันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ใจเราก็มีเจตนาไปคิดคืนเขาเใช่ใช่เราก็ไม่มีความตั้งใจที่จะไปโกงเขาเองแต่ ว, ว่าเรายังไม่สามารถหามาให้คืนเขาได้เหมือนจังหวะนี้เหมือนที่เราเป็นมัน ม, มันมาลงการจะเอารายได้มันก็ไม่เหมือนเก่าใช่ก็วันหลังก็อย่าไปยืมกัน ใครยืมก็อย่าให้เขายืมจะได้ไม่ต้องมาทุกกับเขานี่บางทีคนเราก็เกรงใจกันอาจจะเคยช่วยเหลือกันมาพอเขามาขอความช่วยเหลือเราก็เลยต้องช่วยเขาถ้าเราคิดว่าเราช่วยเขาแล้วเราก็อย่าไปเราก็ปรงใจว่าช่วยเขาแนละ้วคิดว่าเป็นการทำบุญไปถ้าเขาหามาคืนได้ก็ดีหามาคืนไม่ได้ก็แล้วไปชีวิตคือช่วงที่เรามีเราก็เคยเหมือนให้คนอื่นเขาาคืนก แต่พอมาจังหวะ น, นี้ทําไมเราจึงต้องมาเป็นแบบนี้อะไรนะคะก็มัน เ, เ, รเรื่องของบุญเรื่องของบุญของบาปพอมันถึงเวลาส่งผลมันก็ทําให้เราตกทุกข์ได้ยากถ้าเป็นเรื่องของบุญก็ทําให้เราให้เราสุขให้เราเจริญพอเรื่องของบาปมันก็เลยทําให้เราทุกข์ให้เราลําบากยากยากจนขึ้นมาก็ก็สู้ต่อไป แล้วก็อยากไปแก้ปัญหาด้วยการไปทําบาปก็แล้วกันเอถ้าเขาอยากจะจับเราเข้าคุกก็ให้เขาจับไปถ้าบอกว่าถ้าเขาสบายใจก็เอาเราเข้าคุกไปก็ได้เรายินดีจะไปใช้ใช้กรรมในคุกเนี่ยต่อไปนี้ก็จําไว้ว่าเรื่องยืมเงินให้คนอื่นยืมแล้วไปยืมคนอื่นเนี่ยไม่ควรทํา เพราะมันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทั้งสองฝ่ายให้เขายืมแล้วเขาไม่คืนเราเราก็ทุกข์ไปยืมเขาแล้วเราไม่มีปัญญาคืนเขาเราก็ทุกข์เขาก็ทุกข์เองงั้นอย่าไปยืมเงินกันอย่าไปให้ใครยืมเงินรักกันขนาดไหนก็บอกว่าเรื่องเงินทองนี้ยืมกันไม่ได้<ม>เพราะว่ามันบาดใจบาดตะบาดใจกันก็เดี๋ยวจะทุกข์กันต่อไป ต้องไม่เก่งใจกันบอกเขาว่าการให้ยืมก็ดีการยืมเงินของคนอื่นก็ดีเป็นเรื่องของความทุกข์ไม่ใช่เรื่องของความสุขนอกจากว่าเราเป็นหนี้บุญคุณเขาแล้วเราอยากจะทดแทนหนี้บุญคุณก็ให้เขาไปเลยอแล้วเราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าเขาจะคืนเราหรือไม่คืนเราหรือว่าเราให้ให้เขายืมก็ได้แต่ภายในใจเราคิดว่าเราให้เขาไปแล้วก็แล้วกัน เขาจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้ที่เราทํานี่อาจจะเป็นเพราะเขามีบุญคุณกับเราหรือเพราะว่าเราอยากจะทําบุญก็ได้บางทีไม่มีเวลาไปวัดมีคนมาถึงบ้านขอให้เราทําบุญให้เขาเราก็ทําให้ไปเลยก็ได้คิดอย่างนี้เราก็จะสบายใจแต่คิดว่าให้เขายืเมเงินแล้วจะหวังเอาคืนนี่มันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเขาไม่คืนให้เราเราจะทําให้เราโกรธเขาเกลียดเขาขึ้นมา แต่ถ้าเราคิดว่าให้เป็นการทำบุญไปเขาจะคืนก็ได้ไม่คืนก็ได้เวลาเขาไม่คืนเราก็จะไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาเราก็จะไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเราให้เขายืมไม่ได้ก็อย่าไปก็บอกเขาไปว่าไม่ให้เขายืมกันแล้วกันถ้าเขาจะโกรธจะเกลียดเราก็โกรธซะตอนนี้เลยดีกว่าดีกว่ามาโกรธมาเกลียดกันตอนหลัง คำถามอย่างนะี้ค่ะจะทราบว่าปัจจุบันนี้เรื่องสารศาสตร์มันจริงหรือเปล่าคมันมัออม น, ม, น, ม, นมันมีมีจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยไปะยุกกับมันเ้วถ้ามันมีจริงแล้วค้นที่ทำจะได้อะไรไปค่ะจะได้อะไรนั่นเองสิเราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีจริงก็ไม่มีจริงเลยพูดไม่ได้ค่ะ อมันมีบางอย่างที่ทําบางครั้งเราไมเชื่อแต่บางครั้งก็อยากจะจรู้ว่ามันจริงหรือไมจริงออแต่แม่บอกว่าถ้าเรามีธรรมะสิ่งอื่นก็ไม่สามารถจะเข้ามาให้ตัวเราถ้าเราเชื่อโกหกแห่งกรรมแล้วก็ไม่มีอะไรมาทําอะไรเราได้แล้วเราก็ไม่อยากจะไปยืนยันว่าไม่จริงหรือหรือจริงเพราะเรามันก็ไม่ได้ไปพิสูจน์ด้วยตัวเราเองแต่ละาคิดว่ามันไม่มีไมม่ีความสําคัญอะไร ถ้าเรายึดอยู่ในกฎแห่งกรรมนะั้นเราก็เชื่ออย่างเดียวว่าดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเราก็พอออท่านจะใช้เหตุผลก็ได้ถ้ามันเป็นของจริงมันก็เสกให้คนเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่หมดแล้วหรือสามให้คนกลายเป็นปวัวเป็นควายเป็นหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมคือถ้ามีเจตนาจะไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้นี่มันบาปอยู่แล้วอ่า เจตนาแล้วไปทําให้เขาเดือดร้อนเสียหายาก็เป็นบาปน ะ, ะทีมันมีเรื่องมันเป็นเรื่องที่มีคนเชื่อแล้วมีคนไม่เชื่อมันก็เลยพูดไม่ได้เอคนเชื่อก็จะเชื่อของเขาว่าเป็นจริงคนไม่เชื่อเขาก็ว่ามันไม่จริงเเราก็พิสูจน์ของเราไปก็แล้วกันรรรบอออออาาาาจจยย์์ท เาทราบว่าอย่าไปชอย่าไปยุ่งกับเขาดีที่สุด <c oughs> คือไม่ต้องไปเชื่อแล้วไม่ต้องไปปฏิเสธให้ <c oughs> เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พอแล้วเชื่อกฎแห่งกรรมนี่พอแล้ว อ, <c oughs> อย่าไปทำบาปก็แล้วกันทำบุญไปทำความดีไปถึงแม้ชีวิตจะตกต่มก็คิดว่ามันเป็นผลบาปก็แล้วกันถ้าชีวิตรุ่งเรืองก็คิดว่าเป็นผลบุญก็แล้วกันคิดแค่นี้พอ คำถามจากทาง Facebook Live นะครับจากคุณพัชรานะครับขันหจะเป็นทุกข์เมื่อมีอักวิชาทำให้เกิดอุปทานเกิดตำหาเกิดภบชาติหรือตัวขันเองเป็นทุกข์ด้วยคะตัวขันมันก็เป็นขันมันไม่มันไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขมันอยู่ที่ใจที่ไปยึดไปติดมันเช่นร่างกายนี้ก็เป็นหนึ่งในขันห้า ตัวร่างกายเองมันไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์แต่คนที่ไปยึดไปติดมันไปไปทุกข์ไปสุขกับมันเวลาร่างกายดีมันああก็นนสุขเวลาร่างกายไม่ดีมันก็ทุกข์ความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่คนไปยึดไปติดร่างกายถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็อย่าไปยึดไปติดแล้วก็จะไม่ทุกข์ร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ ความทุกข์เกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายแต่ถ้าไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันจะไม่ทุกข์เหมือนร่างกายของคนอื่นเราทุกข์กับเขาป่ะร่างกายของคนอื่นแก่เจ็บตายเราทุกข์หเพราะเราไม่ไปอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมแล้วทำไมร่างกายของเราทำไมไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เหมือนกัน ร่<ล>าง <itor> กายเขากับร่างกายเรามันก็แก่เจ็บตายเหมือนกันแต่เราไม่ทุกข<ลา>์กับร่างกายของเขาแต่เขามาทุกข์กับร่างกายของเราเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายของเราแก่เจ็บตายดะงนั้นถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็เราก็อย่าไปอยากเพราะทุกข์เพราะเพราะทุกข์เพราะอยากยังไงมันก็มันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมไม่เกิดประโยชน์อะไรความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมีใจทําให้เราทุกข์ มันไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายได้งั้นชู่วปล่อยมันเฉยๆดีกว่าอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ที่มันอยากก็เพราะเราควบคุมความอยากไม่ได้เราไม่มีเบรกเหมือนรถยนต์ที่เราไม่มีเบรกมันก็วิ่งชนรถคันนูนน้นรถชนคันนี้ไปถ้าเรามีเบรกเราก็หยุดกันได้เรามาสร้างเบรกกันดีกว่าสร้างเบรกหยุดความอยากอย่างที่เมื่อกี้พูดเนะี่ย ก็ใช้พุโทโธนี่หยุดมันอพอเป็นกลัวแสดงว่ามันไม่อยากตายแนะ้มันถึงกลัวพอเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปปั๊บพอมันลืมเรื่องความตายมันก็หายกลัวมันก็หายอยากไม่ตายมันหยุดความอยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์คำถามจากทาง YouTube นะครับดูการถ่ายทอดสดกีฬาผิดศีลแปดขอดูการละเล่นหรือไม่ครับ กีฬามันก็เป็นการเล่นไม่ใช่นะเล่นกีฬาไม่ใช่นช่ไมไม่ให้ไปดูเรื่องต่างๆให้มาดูหนังสือธรรมะกันเหมือนนักเรียนอ่ะให้ให้ให้ให้ดูหนังสือไม่ให้ไปเล่นเกมไปดูการ์ตูนดูอะไรต่างๆเพราะมันจะทําให้เสียเวลาแล้วไม่ได้มาศึกษาหาความรู้ที่จะทําให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์กัน คำถามจากคุณสิริมาอาชีพควบคุมคุณภาพอาหารในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มมืนเมาเป็นอาชีพที่เสี่ยงต่อการทำบาปไหมคะมันก็เป็นอาชีพที่สงสิมให้คนเเสพสิ่งที่เป็นภัยต่อตอนเองกับต่อคนเสพและกับผู้อื่นพอดื่มสุราแล้วเมาก็ไปอรารวาสใส่คนอื่นถ้าไม่มีสุราก็จะไม่มีคนเมา คนเมาไม่ดีใช่ไหมเมาแล้วก็อารวาดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยเราไปผลิตสุลาขาย่เราก็เหมือนกับส่งเสริมให้คนเมาส่งเสริมให้คนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านนี้ไม่ดีเราก็เป็นชาวบ้านที่จะถูกเขามาอารวาดใส่เราก็ได้เช่นเขาเมาแล้วเขาขับรถเราขับรถกลับบ้านเขาเมาเขาก็เลยขับมาชนเราตายแต่ถ้าไม่มีคนเมา ไม่มีคนเมแล้วขับมันก็จะไม่มีคนตายคนรถชนกันตายคำถามจากคุณวีรพรนะครับถ้าคนที่อาศัยร่วมบ้านกับเราบอกว่าอยากพูดคุยอย่าให้ของกินอะไรแก่เขาเพราะเขาจะทำเหมือนกับว่าเขาอยู่คนเดียวซึ่งเราก็ทำตามแต่ด้วยความอยากเอาชนะกิเลสตัวเองก็ยังรับใช้เขาเล็กๆน้อยๆ เท่าที่ทำได้แล้ววันนี้รู้ว่าเขาไม่สบายจำเป็นไหมที่ควรจะถามถ่ายอาการหรือบอกเขาว่าพร้อมจะช่วยเหลือหากเขาต้องการแต่อีกใจหนึ่งก็เกรงว่าเขาจะดา่าว่าขอโทษครับเสือกแต่อีกใจก็อยากแสดงความมีน้ำใจฝึกความเมตตาขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ ได้เราก็บอกเขาได้ว่าถ้าเดือดร้อนอะไรอยากจะให้ช่วยหรืออะไรก็บอกนะแต่เราจะไม่ไปเคี่ยวเข็นไปไปบังคับเขาถ้าเขาอยากจะรักษาด้วยธรรมโอสถก็ปล่อยก็รักษาไปคนปฏิบัติธรรมบางคนนี้เขาอยากจะใช้ธรรมรักษาที่รักษาไม่ใช่รักษาร่างกายเขาต้องการรักษาใจเวลาร่างกายไม่สบายใจก็ไม่สบายไปด้วยใช่ไหมใจก็ทุกข์ไปกับร่างกายแต่ถ้ามีธรรมโอสถ ถ้าสามารถนั่งสมาธิวิปัสสนาได้ก็ปร่งได้พอปรงได้ความทุกข์ใจก็หายไปบางทีเขาต้องการอาศัยความทุกข์ของร่างกายมาเป็นเหตุที่จะทำให้เขาได้ปรง่งได้ปล่อยวางร่างกายถ้าเอาไปรักษาพยาบาลก็แสดงว่าเขายังไม่ยอมปล่อยเ้ายังยึดติดอยู่กับร่างกายอยู่เังนั้นเราก็ไม่ควรจะไปเคี่ยวเข็นบังคับเขา ปล่อยเขาตามอธัธยาศัยถ้าก็อยากจะรักษาใจไม่อยากจะรักษาร่างกายก็ปล่อยเขาไปเพราะเขาอาจจะมีเขาเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นก็คือการไปทุกกับร่างกายนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่าในที่สุดร่างกายก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้รักษาให้ดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ต้องไม่สบายเดี๋ยวมันก็ต้องตายอยู่ดี นบางทีเขาก็จขี้เกียจ ร, รักษามันมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปถ้ามันยังไม่ตายมันก็ยังไม่ตายใช่ไหมแต่ต้องการรักษาใจออต้องการให้ใจไม่ทุกข์กับร่างกายวิธีเยียดไม่ทุกข์กับร่างกายก็ต้องปล่อยร่างกายปล่อยมันไปตามเวรตามกรรมของมันตามบุญตามกรรมของมันคำถามจะคุณทิปนะคะ ลูกได้หยอดเงินใส่กระปุกตั้งไว้ที่หิ้งพระแทบทุกวันที่อยู่บ้านตอนใส่เงินได้อธิษฐานว่าเงินส่วนนี้เก็บไว้สร้างในสิ่งที่เป็นบุญและลูกได้จอดจงให้กับเจ้ากรรมในเวรบอกให้เขามารับบุญส่วนนี้ลูกขออนุญาตถามว่าบุญตรงนี้เขาจะได้รับต่อเมื่อลูกเอาไปทำทานแล้วใช่ไหมคะแต่ตอนที่เอาเงินหยอดไปก็รู้สึกสบายใจ แล้วเงินส่วนนี้ลูกจะได้บุญด้วยไหมครับเพราะลูกได้เจาะจงให้เฉพาะเจ้ากรรมในเวรคือมันยังไม่ได้เต็มที่เพราะว่ามันยังมันยังไม่ได้จากเราไปอย่างแท้จริงต้องให้มันจากเราไปอย่างแท้จริงมันถึงจะได้บุญเต็มที่อย่างน้อยเราก็ได้ครึ่งหนึ่งละคือเราแบ่งเงินส่วนนี้ไว้สําหรับทําบุญนะแต่ยังไม่สําเร็จร้อเ จะสำเร็จรอยก็ตามเมื่อเราเอาไปทําบุญอยางนั้นก็ก็ดีกว่าไม่ทําเลยถ้าไม่เก็บเงินไว้เลยถึงเวลาอยากจะทําบุญอาจจะไม่มีเงินทําก็ได้เพราะเราจะเอาเงินไปใช้ยอย่างอื่นเส้อหมดเสก่อนคำถามจากคุณนิพาพรเวลาแผ่เมตตาจำเป็นต้องเอ่ยชื่อไหมคะ ออแผ่เมตตานี่มันต้องแผ่ตอนที่เจอกันอยู่แล้วไม่ใช่แผ่ตอนที่ไม่เจอกันเข้าใจไหมนั่งคนเดียวแล้วแผ่เมตตาไม่ไม่มีคนรับเนี่ยความเมตตานี้ต้องแผ่ให้กับคนเป็นอย่าเช่นเราเจอใครแล้วก็ยิ้มให้เขาเยออี่อะไรเรียกว่าแผ่เมตตาออถามสารทุกข์สุขด็กว่าสบายดีเหร อ, อเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าอยากจะให้ช่วยหรืออะไรเนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตา หรือมีของขวัญมีขนมอะไรมาแจกกันมาแบ่งกันนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาหรือเวลาเขาด่าเราแล้วเราก็ไม่เป็นไรให้อภัยอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดไปเองยังไม่มีคนรับอันนั้นเป็นการซ้อมเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราสวดสัพเพสัตตานี้เป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะเวลาที่เราเจอกัน เวลาเขาด่าเราเวลาเขาทาให้เราเสียใจเราก็ต้องให้อภัยกันไม่ไปถือโทษโกรธเคืองจองเวรจองกรรมกันอันนี้เป็นการเวลาอยู่คนเดียวเวลาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วแผ่เมตตายังไม่ได้แผ่ไม่มีคนรับเนี่ยใช่หไหมต้องแผ่ตอนที่มีคนรับก็ตอนที่เราไปเจอกันเจอใครไม่ว่าจะอยู่ในบ้านหรือนอกบ้านแผ่ให้ทุกคนได้หมดเจอสามีก็แผ่ได้เจอก็ยิ้มให้กันเลย ทำไมหน้าเบื่องใส่กันทำไมใช่ไหมเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกเจอใครก็ยิ้มให้กับเขาไปนี่เรียกว่าแผนเมตตาพระอใจครับเมื่อวานมีผู้ปฏิบัติมีความสงสัยว่าอากวดน้ำให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาจะได้ไหมครับพระอาจารย์บุญนี่อุทิศได้แต่คนตายเท่านั้นคนเป็นนี่เราต้องไปกราบเท้าเขา ถ้าอยากจะให้เขาให้อภัยแล้วแล้วก็ไปขอขมากันไปขอขมาลาโทษเรียกว่าเป็นการเป็นการขอร้องให้เลิกจองเวรจองกรรมกันก็นั่นแหละก็เราอยากจะให้เขาไม่เป็นศัตรูเราก็ไปกราบเขาไงแล้วเอาเงินไปเอาเงินไปประเคนให้เขา่าหน่อยจะได้หายโควิดก็ต้องอย่างนั้นเนี่ยเขาถึงเรียกว่าชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหม เวลา <c oughs> อ่าเวลาเราไปชนรถคนอื่นเข้าเนี่ยเราก็ต้องรับว่าจะเอาไปซ่อมให้กับเขาใช่ไหมถ้ า, มาเราชนแล้วหนีเขาก็โกรธเราสิแต่ถ้าเราพอเราชนแล้วเราก็ไม่หนีเราบอกขอโทษยกมือไหว้แล้วเดี๋ยวจะเรียกประกันมาจัดการให้หรือไม่มีประกันก็เดี๋ยวไปที่อู่เลยถามว่าต้องเสียเท่าไหร่ก็จ่ายให้เขาไปได้อย่างนี้เขาก็ไม่โกรธเกิงเราเราเห็นน้ําใจของเราว่าเราเอ <c oughs> ใช่เออไม่ใช่ตีหัวเขาแล้ก็วิ่งหนีแล้วจะให้เขามาอภัยเราไม่ได้ก็อยากให้เขาอภัยก็เอาเอาไม้ไหมก็ตีหัวเราก็เราไปทําก็แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะทํากลับใช่ไหมคําถามข้อต่อไปจากคุณนาโนนะครับสัมมาสติเห็นกายในกา ย, กายเวทนาในเวทนา จิตในจิตทำในธรรมเป็นอย่างไรครับวางจิตอย่างไรคือการมีสตินี้ก็คือไม่ให้ใจเรลอยไปกับความคิดต่างๆให้มันจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่จนจดจ่ออยู่กับร่างกายร่างกายกําลังเดินกําลังยืนกําลังนั่งกําลังทําอะไรก็เฝ้าเหมือนไปถ้าเราเฝ้าดูร่างกายเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ใจก็จะอยู่ในปัจจุบันเรียกว่ามีสติ นี่ก็เลยว่าการจะเจริญสติด้วยการใช้ร่างกายถ้าใช้เวทนาก็ดูเวทนาเวลามันเจ็บก็ดูมันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดว่าอยากให้มันหายอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ดูเฉยๆถ้าดูเฉยๆได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาคำถามจกคุณปุ้มนะครับก็ผมไม่ดื่มเหล้าไม่ดูดบุหรี่ แต่ชอบเข้าวัดทําบุญโดยเฉพาะชอบไปฟังเทศกับพระอาจารย์ตลอดเมื่อมีเวลาว่างคําถามทําไมพวกเพื่อนๆชอบพูดว่าชอบเข้าวัดเข้าวาทําไมไม่ไปบวชจะมีวิธีตอบเขาไปอย่างไรครับก็บอกว่ายังไม่พร้อมจะบวชนะตอนนี้พร้อมที่จะไปวัดมันเป็นขั้นเป็นตอนตอนต้นก็ไปก่อนไปบ่อยๆเข้าเดียวมีกําลังก็บวชเอง มันก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่องคำพูดของคนนี่เราอย่าไปถือเป็นสาระแก่นสารอะไรเพราะเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดไปตามความรู้สึกนึกคิดของเขาซึ่งมันไม่มีผลอะไรกับชีวิตของเราเลยสิ่งที่มีผลต่อชีวิตของเราก็คือการกระทาของเรางั้นเราอย่าไปให้ความคิดของคนอื่นความพูดของคนอื่นมามามามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเราฟังได้ ฟางแล้วเราก็ปล่อยวางเพราะว่ามันคนจะพูดอะไรมันก็พูดได้ทำไมไม่ย้อนกลับแล้วมึงทำไมไม่ทำบ้างอ่ ะ, อะอยังไมบางว่ากูไม่บวชมึงบวชได้เปล่าอะคำถามจากคุณอุจังนะครับ ถ้าเราโกหกโดยมีเจตนาที่ดีกับคู่สนทนาเราบาปไหมคะบางครั้งโกหกเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกหรือทะเลาะกันในหมู่เพื่อนร่วมงานคะ่ะก็บาปนะโกหกมันก็บาปอยู่แล้วเป็นแต่ว่าเรายอมรับผลบาปที่จะตามมาหรือไม่คือต่อไปคนเขาอาจจะไม่เชื่อใจเราแล้ ว, ลวก็ได้อันนี้มันพูดโกหกเนี่ย เราก็จะเสียเครดิตไปเหมือนกับเด็กเลี้ยงแกะโกหกบ่อยๆเดี๋ยวคนเขาก็จะไม่เชื่อคำพูดของเราเวลาเราเดือดร้อนขอความช่วยเหลือเขาก็จะไม่มาช่วยเราเฉนั้นมันก็มีผลเสียถึงแม้ว่าจะโกหกเพื่อรักษาน้ำใจหรือรักษาความรู้สึกของคนอื่นก็ตามถ้าเราพร้อมที่จะยอมเสียก็โกหกไป แต่ถ้าเราคิดว่าเราสู้รักษาจิตใจของเรารักษาความดีของเราไว้ดีกว่าที่เราจะไปรักษาน้ำใจของคนอื่นเราก็อย่าไปโกหกอย่างพระพุทธเจ้าสอนพระราหุนลูกชายตอนที่บวชกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าตกนตักน้ำมาขันหนึ่งพระท่านก็บอกว่าราหุนทุกครั้งที่เธอโกหกนี่เหมือนเธอเทน้ำในขันนี้ทิ้งไปนิดนึ่งถ้าเธอโกหกบ่อยๆเท น้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำก็หมดขันพระพุทธเจ้าก็บอกน้ำนี้เป็นเหมือนความดีของเธออยู่ในตัวของเธอทุกครั้งที่เธอโกหกนี่เธอกำลังทำลายความดีของเธอให้หายไปเพราะคนจะไม่มีใครเข้าเชื่อถือเธอต่อไปในอนาคตเห็นรักษาความดีไว้ดีกว่าดีกว่าไปเกรงใจไปทาให้คนอื่นเขาไม่เสียใจถ้ามันเป็นความจริงเขาจะเสียใจมันก็เรื่องของเขาสิใช่ไหมเราไป ทำไงได้ล่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ยอมรับความจริงเขาอาจจะไม่เสียใจก็ได้เพราะเป็นความจริงเป็นแฟนก็ไปแอบมีแฟนแล้วเราก็ามาถามเราว่าจริงรูเป่ะล้วก็บอกจริงถ้าเรารู้ว่าจริงก็หมดเรื่องไปจะได้รู้แล้วรู้ลอดไปเพอะมันช้ากันลยเขาก็ต้องรู้อยู่ดีแหะใช่ไหม คำถามเจ้าคุณอินตวนนะครับตอนเราจับสติไม่ได้มันฟุ้งไปหมดไม่รู้จิตไปอยู่ไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกบางทีก็สับสนจนน้ำตาไหลอยากจะสวดมนต์ขมก็สวดไม่ได้มันฟุ้งมันสับสนไปหมดขนาดเอาพุทโธมาช่วยยังเอาความรู้สึกไม่อยู่ไม่รู้จิตตัวเองอยู่ดี ลูกอยากขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชี้แนะวิธีแก้ให้ด้วยเจ้าค่ะก็ถ้าถึงตรงตอนนั้นมันก็เหมือนรถที่เบรคแตกมันก็ต้องรอให้มันวิ่งตกเขาไปจะกระลังมันจอดขงมาเองอ่ะแล้วข่าวหน้าก็มาหัดฝึกพุทโธอย่าประมาทมาติดเบรคให้กับรถยนต์แต่ข้าวหน้ามันแหกมันเกิดมันวิ่งลงเขามันจะได้มีเบรคได้แต่คราวนี้มันสายไปใชแล้วก็ปล่อยให้มัน ไอ้มันฟุ้งมันจะกำลังมันหมดฤทธ์หมดแรงไปของมันเองเดี๋ยวมันก็ทุกอย่างมันก็มีวันมันก็วันมีวันจบฟุ้งขนาดไหนเดี๋ยวมันหมดแรงมันก็หยุดฟุ้งไปเองแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนสอนใจว่าต่อไปนี้เราประมาทไม่ได้แล้เราต้องรีบหัดพุทโธพุทโธหัดสวดมนต์นะเผื่อเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะได้เอามันอยู่ได้คําถามจีกคุณหลิงหลิงนะครับ เพื่อนก no ินวน์ก่อนนอนกับสามีเพื่อนบอกว่าก right? ินเพื่อสุขภาพอย่างนี้ผิดศีลข้อห้าหรือเปล่าคะจะกินเพื่ออะไรก็ผิดทั้งนั้นถ้ากินสุราท่าไม่ได้บอกว่าไม่กินเพื่ออะไรไม่กินนชอบอ่างเลยพวกนี้ยคําถามจ้าคุณพี่พรายนะครับ ขณะใส่บาตรพระสงฆ์บอกบุญให้ถวายปัจจัยตามศรัทธาแต่ดิฉันคิดว่าผิดธรรมวินัยจึงนิ่งเฉยและหันหลังกลับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้อีกเราควรทำอย่างไรครับก็ก็ไม่ต้องใส่บาตรไปไปใสของค์อื่นแทนเนี่ยแสดงว่าอาจจะไม่เป็นภาพปลอมก็ได้หรือถ้าถ้าเป็นภาจริงก็เป็นภาพที่ไม่ได้ศึกษาก็เปก็เหมือนกับภาพปลอมอยู่ดี พระศึกษาพระจะรู้ว่าขอเงินทองจากคนที่เราไม่รู้จักไม่ได้จะขอความช่วยเหลือได้จากคนที่รู้จักหรือคนที่เาคนที่เป็นญาติหรือคนที่เขาเสนอตัวเราไม่ต้องขอห้ามขอเงินทองเงินทองนี่ไม่ให้ขออยู่แล้วขอจีวรได้ข อ, อยารักษาโรคได้อะไรทำนองนี้ได้อยู่แต่จะไปขอเงินทองนี่ไม่ได้เพราะพระนี่ห้ามจับเงินจับทองคอบครองเงินทองอยู่แล้ว แต่ถ้าศรัทธามีจิตศรัทธาอยากจะถอยเงินทองก็ต้องให้ก็ฝากไว้กับลูกศิษย์ได้อยู่แต่ครอบครองไว้เองไม่ได้เก็บไว้เองไม่ได้พราพระพระ่อหนุเจอกับตัวเองค่ะเรื่องพระพุรงกับข็ขอขอเนุญาตทำอย่างนี้ว่าในนอวมีในทงคองพระรยานค่ะหราเห็นพระพุธรงค์เขาเข้ามาแล้วขอบิณฑบาตเช้ามาสิบโมเช้าค่ะ เป็นประจำสองสามครั้งหรือคิดว่านั่นไม่ใช่พระทุดงนะพระทุดงก็ไม่ไปพัฒพัทยาหรอกก็ไปจริพระทุดงนี่เขาเข้าไปหาที่วิเวกเข้าไปป่าไปเขาเขาปัจจัยางีเวลาเปัจจัยเมื่อเช้ให้งีเวาเราทำมิจาเราว่าอึสายเราไม่ทานเครืให้ปัจจัยเขาชอบวามตัวความตัวเป็นพระทุนดงไงเพราะพระทุนดงนี่คนคิดว่าเเข่งไงใช่ค่ะศรัทธามากพอเห็นอุตส่าห์เลยแบบดีใจเพราะเราไม่ได้ทำบุญไง พมอใส่นใหญ่ล่ะ่หได้ามาบีแม่งมาเอ้ยพีี่ไหนแล้วเราเริ่มจะสงสัยมันผิดหรือเนี่ยะเ็น่สภาพบินานี่บินแต่เอาอาหารอย่างเดียวนั่นควรจะใส่แต่อาหารสดที่ผ้าฉันได้เนี่ยนผ้าดงมากค่ะนี่ เขออายอมเขามีความสงสัยว่าเอาเงิงเนงใส่บาทเนี่ยพระผิดวินัยไหมครับอาจออารย์คือพระคือพระรับไม่ได้นะแต่ถ้าโยไมไปใส่โดยที่พระเขาไม่รู้สึกไม่รู้ทันเนี่ยเขาก็ไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเขาเก็บเงินนั้นไว้ไม่ได้เขาต้องสละไปเงินทองที่ได้มานี่กลับให้กลับมือไม่ได้ถ้าอยากแล้วยมบาปไหมคะยมไม่บาปยอมก็ได้บุญเพราะยมก็ได้ทําบุญเพียงแต่ว่ามันทําให้พระนี่อลําบาก เพราะว่าถ้าพระไปรับกับมือก็ก็ผิดแล้วถ้ า, ารับแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อยู่ดีต้องสละให้คนอื่นไปให้ลูกศิษย์ไปแต่ถ้าอยากจะให้เงินรับให้พระใช้ได้ก็ต้องฝากกับลูกศิษย์ไว้ให้ลูกศิษย์เก็บไว้เผื่อเวลาพระอยากจะให้ซื้ออะไรก็จะได้เอาเงินนี้ไปซื้อได้ แต่ถ้าให้รับพระรับกับมือนี่บาปแต่ใส่บาททบางทีไม่รู้เนี่ยมันใส่ไปในถุงใส่ในซองเนี่แล้ววางใส่เข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้เรื่องเาถ้าเขาผิดอย่างมากก็ผิดตรงที่ว่ามันมันเขาเก็บไว้ไม่ได้ต้องต้องสะละไปคำถามจากคุณเชรันนะครับ What is the difference in the f e e l i n g Of the normal human and the sota panna, feelings is the same for everybody. If it's physical feelings, like when you get sick, a sota panna or an o r d ordinary person have the same feeling of pain of the body, but the pain of the mind is different. A sota panna has no mental pain. It's not hurt by the Pain of the body by the sickness. This is the difference between the the feelings. Asotapanna has no mental suffering, but have physical suffering, just like you and me. But we have, but for us we have both the physical and the mental suffering. When the body gets sick, we feel painful in the body, and we also feel painful in the mind. So that's the difference between a uh, sodapana or, or any of the noble disciples. They don't, they don't experience the mental pain from the physical pain. คือเขาถามว่าความรู้สึกของคนธรรมดากับของพาโสดาบานนี้เหมือนกันไหมถ้าทางร่างกายเหมือนกันเวลาปวดท้องก็ปวดท้องเหมือนกัน แต่ทางจิตใจไม่เหมือนกันว่าจิตใจของพระอริยะเจ้าท่านจะไม่ปวดไปกับความปวดท้องแต่จิตใจของพวกเรานี้ปวดทั้งสองทางปวดทางร่างกายแล้วก็ปวดทางจิตใจด้วยนี่คือความหมายคำถามจะคุณอนิจจังทุกขังอนัตตานะครับในกรณีที่วัดมีเหตุต้องการความช่วยเหลือเช่นประสบภยัยวัดมีความเสียหายแล้วมีเลขที่บัญชี ย่าที่ทาโอนเงินทำบุญได้ไหมคะได้ถ้าถ้ามีหมายเลขบัญชีก็ส่งไปได้บุญเหมือนกันเหมือนกัรเอาเงินไปให้ที่วัดสมัยนี้มันสามารถโอนเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามสบายนะใครอยากจะกลับก็กลับได้ที่นี่ไม่มีอะไรตายตัวเพียงแต่ว่าถ้าเกิดแสดงทํา ควรจะอยู่เฉยๆไปก่อนแต่ถ้าสนทนาธรรมอย่างนี้เข้าออกได้ไม่เป็นไรแต่เวลาแสดงธรรมนี่ทุกคนนั่งฟังอยู่ก็เราก็ไม่ควรที่จะไปรบกวนผู้อื่นคาถามจะคุณมีสักนะครับผมสวดมนต์ทุกวันเสร็จแล้วก็กวดน้าอีกมินาทุกครั้งแต่ไม่ได้แผ่เมตตาจะได้ไหมครับก็แผ่เมตตาเป็นคนละเรื่องกับการอุทิศบุญไง อุทิศบุญก็คือเราทําบุญแล้วเรามีบุญเราก็อยากจะแบ่งบุญนี้ให้กับคนตายแล้วก็อุทิศไปแต่แหาเมตตก็ต้องมีคนเจอกันนลถึงค่อยบาดแผ่กันได้คําถามจากคุณสิณีนะครับทําบุญกับพระอริยสงฆ์แล้วได้ธรรมะท่านกลับมารู้สึกคุ้มค่าแต่เป็นการเอาเปรียบท่านไหมคะ เพราะแรกกันไม่ได้ประโยชน์ต่างกันเยอะมากแต่ทำบุญแล้วมีความสุขดีครับไม่หรอกเพราะว่าพระท่านก็นมีหน้าที่สั่งสอนธรรมะให้กับญาติโยมเป็นการตอบแทนบุญคุณของญาติโยมที่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องท่านใส่บาตรให้ท่านท่านก็นมีหน้าที่ทาไปเพื่อประโยชน์ของญาติโยมและประโยชน์ของพระศาสนาพระศาสนาจะได้จเจริญต่อไปได้ พระมีคนศึกษามีคนปฏิบัติมีคนบรรลุธรรมศาสนาของเราไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่บุตที่เจดีย์นะถ้ามีบุตมีเจดีย์แต่คนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่บรรลุธรรมมันก็ไม่ไม่มีศาสนาแต่ถ้ามีคนปฏิบัติมีคนบรรลุมีการสั่งสอนกันถึงแม้ไม่มีบุตไม่มีเจดีย์ก็ยังมีศาสนาอยู่อย่างมูลเขานี่ไม่มีบุไม่มีเจดีย์ใช่ แต่มีการฟังธรรมมีการสอนธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรลุธรรมเนี่ยธรรมก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ต่อไปได้ธรรมไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีไม่ได้อยู่ที่กุติไม่ได้อยู่ที่สาราอยู่ที่ใจของพวกเราดังนั้นเราควรสนับสนุนสถานที่ที่ต้องการสร้างโบสถ์สร้างวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกไหมครับพระชังไม่เลย มไม่จำเป็นนะคำถามจากคุณเกษรานะครับลูกอยากจะไปปฏิบัติธรรมในวันที่ห้าหกเจ็ดสามวันลูกต้องไปที่วัดเลยได้หรือไม่คะครจะไปจองที่พักก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงวันหยุดนี้จะมีคนจองมาเยอะแล้วถ้าไปโดยที่ไม่ได้จองก็โอกาสที่จะมันไม่มีที่พนะักนึงเป็นไปได้มากแม้แต่จองตอนนี้อาจจะเต็มแล้วก็ได้ พรถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี้คนที่ขาประจําเขารู้เขาจะจองล่วงหน้าไว้ก่อนงั้นถ้าอยากไปอยู่วัดอย่าไปวันที่เป็นวันเทศกาลดีกว่าเพราะที่มันจะเต็มไปอย่างวันเนี้ยวันธรรมดาอย่างวันเนี้ยไปมันที่มันจะว่างอีกท่านผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าลูกอายุสิบหกจะขอมาบวชกับพระอาจารย์ได้ไหมครับ อายุนี้ยังบวชพระไม่ได้บวชก็ได้บวชแค่บวชเนรไปเป็นผู้หญิงหเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็เกที่วันนี้ก็ไม่มีการบวชผู้หญิงมีแต่การมาให้ถือศีลเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ประจำเกินเจ็ดวันก็ไม่ได้เพราะที่มันไม่พอถ้าจะบวชเป็นสา ม, มเณรก็ต้องไปติดต่อกับทางวัดข้างล่างเขามีพระดูแลเรื่องนี้อยู่ที่กุฏิเบอร์สีไปติดต่อ แล้วก็ต้องดูว่าเขามีที่พักหรือเปล่าเพราะช่วงนี้คนบวชกันเยอะบวชทัวในหลวงกันบางทีบวชจากที่อื่นแล้วก็มาขออยู่ที่นี่ตอนนี้ที่เต็มไปหมดเลยคําถามจ้าคุณพัชรพลนะครับเดินเห็นนิมิตแล้วธรรมะมาทางกระแสจิตมันคืออะไรครับไม่รู้เหมือนกันบางคนเป็นคนพูดเองแล้วมาถามเราได้ไห ฟังถามหมดครับทุก uh ท่านบางอันก็กูเกิลได้เลยครับถามใเรื่องให้คนตอบตอบได้บ้างเลยไม่มาถามลองภูมิเรื่องไงเราไม่มีภูมิได้หรอกเราพร้อมที่จะเป็นคนโง่เสมอพร้อมยพร้อมที่จะรับว่าเราโง่โง่เราสบายไม่ต้องเหนื่อยถ้าหัวฉลาดนี่มันต้องหาความพูดมาตอบเขาอสู่ตอบว่าไม่รู้ดีกว่าจบ อ้จริงๆเดี๋ยวนี้อยากจะรู้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปถามใน Google ได้เลยใส่เขาใส่เข้าไปเลยแต่ถ้าอยากจะถามเรื่องปฏิบัตินี่บางทีใน Google ไม่มีอันนี้ต้องมาถามคนที่ปฏิบัติแต่ถ้าอยากจะรู้ศัพท์คำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยเข้าไปได้เลยใน Google พระไตรปิฎกข้อไหนมีอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดลพะพระไตรปิฎก หมครับพระาอาจารย์ใครว่ามาจะขอถามาามิซ่าคำถามนะคือเคยไปปฏิบัติธรรมเป็นสำนักต่องว่าค่ะแต่ยังไม่เจริญแล้วก็เกิดความัถตาแล้วคร น, นี้ก็ได้บอกเพื่อนๆเข้าไปคือเราก็อยากสร้างให้เจริญนะคะไม่ไม่ถูกหรอกอย่าไปสร้างมันเจริญนะวัตถุเอพอเข้าไปแล้วเราเปดนพระหาที่ที่ท่านอยู่ตรงนั้นออ่ามาทักว่า เหมืนท่านมีนิมิตว่าว่าเหมือนโยมอะในอดีตชาติะเคยไปทําไม่ดีกับท่านแล้วแล้วคือแต่ท่านไปพูดกับคนอื่นว่าว่าโยมเป็นผู้หญิงในอดีตชาติไปติดผ้ามาชีวิตรกร็เลยเป็นแบบนี้ะเออก็มันก็เลยเหมือนติดอยู่ในใจว่าเราพิสูจน์ไม่ได้ได้อันไหนพิสูจน์ไม่ได้ก็อ่าก็เฉยๆไปก่อนก็แล้วกันอาจจะจริงก็ได้อาจจะไม่จริงก็ได้ไม่มีใครรู้ แล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก็แล้วกันถ้ามันจริงมันก็จริงอ่ะถ้ามันไม่จริงมันก็ไม่จริงให้คิดอย่างงี้แต่เหมือนชีวิตที่ว่าอื่นเราเกิดมาชานี้เราชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันอ๋อมันเราทําอะไรมาเยอะแยะไปหมดไม่ได้เฉพาะอเรื่องที่เขาพูดอย่างเดียวล่ะองั้นมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นแล้วล่ะทำอะไรก็เคยทํามาแล้วย่งั้นก็พร้อมยินดีที่จะรับกับผลที่เราทํามาก็แล้วกันแไอเราคิดว่า เราเคยทํากรรมไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นก็แค่นั้นเองแต่แต่เหมือนเพื่อนเพื่อนบางคนเขาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปขอเข้ามาท่านนะอ๋อไม่ต้องหรอกแต่ทุกวันนี้คือเราไม่เข้าไปตรงนั้นแหละเราไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมคือคือเรารู้สึกมันมันรู้สึกมันแย่ในใจที่ว่าเรามีศรัทธาแต่เราไปเชอคำพูดแบบใช่เราถ้าเป็นพระจริงๆก็ไม่พูดหรอกพูดไปตรงไหมันก็เลยเหมือนรู้สึกมันติดอยู่ในใจอ่า อยู่ดีๆเขาก็ตู no ่ขึ้นมาแล้วเดึงความสนใจเราขึ้นมายังไม่ต้องไปสนใจแล้วพระพุทธเจ้าบอกอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมใครก็พูดอะไรก็เชื่อเลยโดยที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าจริงหรือไม่จริงนั้นก็ถือว่าถ้ายังไม่ได้พิสูจน์ก็เป็นเรื่องที่เราไม่จําเป็นจะต้องเชื่อไม่ต้องไปกังวลนี่คาถามครับอาจารย์คําถามจากคุณรักนะครับทําอพาร์ตเมนต์ให้เช่า แต่มีแบ่งมาทำห้องรายวันบ้างเพราะมีคนมาถามหาและมีห้องว่างซึ่งคนที่มาก็ส่วนมากที่มาพักแต่บางคนก็มาเพื่อมีความสัมพันธ์ทางเพศกันจะถือว่าเราบาปไหมคะไม่บาปหรอกคนที่เขาแต่งงานกันเขาชอบเป็นเดือนเขาก็มีความสัมพันธ์กันเหมือนกันมันไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องพฤติกรรมของคนที่จะมาใช้สถานที่ของเราเรามีหน้าที่ให้เขามีที่หลบหลบนอนก็หลับนอนก็พอแล้ว ส่นก็จะไปทําอะไรในนั้นก็เรื่องของเขาถ้าก็ทําผ enfin ิดกฎหมายเดี๋ยวถ้าตํารวจมาเช่นมาเล่นไพ่กันในในบ้านเนี่ยถ้าเกิดตํารวจรู้มาจับเขาก็ถูกจับเองอะแต่เราไปห้ามเขาไม่ได้เรว่าเรือว่าถ้าเรามีกฎเราก็ห้ามไว้สิก็เขียนกฎไว้สิห้ามมาร่วมหลับนอนกันะจากคาถามทีคุณฟุกนะครับเราไม่ต้องการให้แม่เข้าใจผิดหรือทําไม่ถูกต้องบอกทางแต่ต้องทะเลาะ แต่ถ้าปล่อยวางว่าเป็นไปตามกรรมจะดีไหมครับก็ดีถ้าเราบอกความจริงแล้วเขาไม่ยอมรับบอกแล้วเป็นเรื่องเป็นราวก็ไม่ต้องบอกกันเราก็อยู่ของเราไปทำของเราไปแต่เราไม่ปกปิดไม่โกหกเพียงแต่เราไม่เปิดเผยถ้าเปิดเผยแนละ้วเป็นเรื่องก็อย่าไปเปิดเผยเฉยๆไปก็แล้วกันแต่ถ้าเขาถามก็บอกตามความจริงไปถามว่าไปไหนมาก็บอกไปวัดไปทําบูนอะไรก็ว่าไปส่วนเขาจะพอใจไม่พอใจมันก็เราเป็นเรื่องที่เราไปห้ามเขาไม่ได้ ครับอาจารย์มีใครอยากจะถามหไหมไม่มีจะปิดประชุมแล้วน ะ, ะ <c oughs> เพราะก็คุยกันมาเกือบสองชั่วโมงแล้วเรียนก้าวแค่นี้ก่อนนะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิษฐ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ